อาจจะกินทุนไปเรื่อยๆแต่ถ้าไปลงทุนมีความเสี่ยงเห็นมมีความเสี่ยงอาจจะขาดทุนหรือหัจจะกําไรก็ได้การภาวนาเหมือนกันนะถ้าเราทำแต่สมถะเราประครองลูกเดียวเนี่ยเหมือนกับไม่ขาดทุนแต่ไม่กนะําไรแน่แตพอเราปล่อยแล้วใจเราหลงไปเนี่ยตรงนี้เหมือนการลงทุนละถัดจากนั้นสติเกิดถ้าก็ได้กําไร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 ไม่ไม่เพ่งมากกว่าเมื่อก่อนมันเกินจริงอยู่หน่อยนึงครับ <ๆ S 2> บางทีเรา <ๆ S 2> เราครัวไม่ดีคร <ๆ S 2> ัวไม่ดีมันจะเกินจริงๆๆรการปรุงแต่งฝ่ายดีนี่เป็นเรื่องของคนดีก <ๆ S 2> ารปรุงแต่งฝ่ายดีรากเงาของมันก็คือความรักตัวเองอยากให้ตัวเองดีอยากให้ได้มรรคผลนิพพานมีตัวเราจะได้มรรคผลนิพพานมีเราด้วยนะแล้วก็มีความอยากอยากให้ดี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 ไ่เฉยเห็นความว่างแล้วเลยประคองไว้กับความว่างของปล่อยปล่อยใจถึงถึงหน่อยแต่ไม่ใช่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวเหลวไหลนะไม่งปปล่อยการบังคับบังคับจิตจริ ง, รงๆแหมมันสุดง่ายเลยนะที่หลวงปู่ดูลพูดแต่ละคำนะแต่ทำหลายปีพูดสั้นๆเคยมีลูกศิษย์ท่านองค์หนึ่งที่หลวงพ่อคืนหลวงปู่ดูลสอนอะไรเนี้ยสั้นๆ